ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงทรจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องจุระปันทกสูตรหรือพระสูตรที่ว่าโดยการควบคุมสติมีใจความมันเป็นเบื้องต้นว่าเมือ่อพุจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชตตะวัน อันเป็นนารามของอนาฏบินดิกาเศรษฐีในเมืองสาวัติน า, ารามนี้พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่นานนะถึงสิเกปีผลพระธรรมเทศนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกจึงมักจะเชื่อมโยงอยู่กับพระเชตวันอย่างประสูตรในอุทานที่กล่าวมาโดยลําดับมันก็อยู่ที่พระเชตวันอยู่เยอะ และแม้แต่พระสูตรที่จะกล่าวต่อไปก็จะอยู่ในประเชศตะวันส่วนใหญ่ก็ในคราวนั้นพระจุลปันถุนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดับรงสติไวจมเพาะหน้าในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองทรงปรารพระจุลปัตถุและก็ทรงเปร่งพระพุทธทาน พอภิกษุมีกายตั้งมั่นแล้วมีใจตั้งมั่นแล้วยืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีควบคุมสติเธอพึงได้คุณพิเศษเบื้องต้นและเบื้องปลายการได้คุณพิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแล้วถึงถึงสถานที่เป็นที่ไม่เห็นแห่งมัจจุราช รกุฏิาสิทธิ์นี้ที่จริงแล้วก็เป็นการทรงปราบพระจุลปันถกเมื่อท่านบนรรลุมรรคผลเป็นพระหารไปแล้วแต่พระเทระมีประวัติที่น่าศึกษาแล้วก็ให้แง่มุมในด้านต่างๆแก่ชีวิตไปมากท่านเป็นหนึ่งในจำนวนสีรษ า, าสาวกแปดสิบรูป ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าถึงสองสถานะนะครับต่ตามปกติแล้วส่วนใหญ่ก็จะได้รับการยกย่องในสถานะเดียวแต่ว่าท่านได้รับการยกย่องเป็นพิเศษถึงสองสถานะด้วยกันคือเป็นผู้ในรมิตรกายสมเอ็ดด้วยใจแล้วก็ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางใจ หรือท่านสามารถจะนิรมิต ร, ร่างกายตัวเองหรือแยกตัวเองเออกไปเป็นภิกษุได้เป็นพันๆและทําได้ในเวลารวดเร็วก็ถือว่ามีคุณสมบัติเป็นพิเศษผลควรจะศึกษาประวัติในเบื้องต้นของท่านเพราะว่ามันได้สะท้อนกระแสของกรรมและกระแสของสังสารวัฏห้เห็นว่า กรรมที่บุคคลได้กระทำเอาไว้ในชีวิตนั้นติดตามบุคคลไปแล้วคอยให้ผลตามสมควรแก่ฐานะของเขาถ้าเป็นลูกสาวของเป็นเป็นลูกของอดีตธิดาของเศรษฐีคือที่ใช้คาว่าอดีตทิดาของเศรษฐีนั้นเพราะว่าตอนท่านคลอดเนี่ย แม่ท่านยากจนคือที่ดาของเศรษฐีคนนี้ก็เป็นชาวสาวัตนถะีก็อสัยที่พ่อแม่เข้มงวดไม่ให้เกี่ยวข้องกับผู้ชายไม่ได้พบปะไม่ได้พบเห็นผู้ชายแล้วก็เห็นแต่ผู้ชายภายในบ้านเมื่อสาวขึ้นมาก็เกิดความต้องการตามธรรมชาติของหนุ่มสาว หยก็แอบได้เสียกับคนใช้ภายในบ้านก็แน่นอนเป็นคนใช้สมัยนั้นแต่ความรู้ความสามารถฝีมืออะไรที่จะประกอบอาชีพก็คงไม่ค่อยมีเป็นหลักเป็นฐานอะไรเพราะมันเริ่มต้นที่ขาดการศึกษาประนานตรงนี้ทำให้มองย้อนไปถึงเหตุการณ์ในสามจังหวัดภาคใต้ คือมาได้ก็มีส่วนประชุมสัมนาแล้วก็ศึกษาค้นคว้าเรื่องหลบนี้มามานานนะเวลา น, นี้ก็ยังศึกษาอยู่คือเราเห็นว่าเป็นปัญหาที่จะต้องมานั่งคุยคือจับเขาคุยกันแล้วมาแก้ไขปัญหาเรื่องการศึกษาให้ได้เป็นี่การศึกษาที่มันมีปัญหาไม่ใช่ว่ามีปัญหาที่รัฐไม่จัด ก, การศึกษาทั่วถึง เพราะส่วนหนึ่งรัดจับไปแล้วเขาก็เผาโรงเรียนทีนังตั้งยี่สิบสาสิบโรงแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งมันกลายเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งว่าพอเรียนจบบางทีไม่จบประฐมบริบูรณ์ก็ไปเรียนโรงเรียนปอนเนาะไปเรียนโรงเรียนตารีกาซึ่งไม่มีวิชาสามัญทำให้ไม่มีวิชาชีพ เรียนไปแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพไม่ได้เพราะการประกอบอาชีพนั้นไปประกอบกับคนอื่นก็มีการตีค่าของประกาศนียบัตรปริญญาเมื่อไม่มีประกาศนียบัตรไม่มีปริญญามันก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้เพราะนปัญหาความยากจนเนี่ยมันมาจากความไม่รู้มันต้องแก้ไขเรื่องความรู้ แต่เราแก้ไขที่ความรู้ได้เนี่ยก็ยจะแก้ไขปัญหาเรื่องการวางงานได้แต่ในขณะเดียวกันมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเปราะบางเมื่อก่อนในที่ประชุมสัมนาที่ศูนย์วัฒนธรรมอาตมาก็เร้ยกการนิมนต์ให้สรุปนะมาก็สรุปว่าคือมองเห็นว่า มันเป็นปัญหาธรรมชาติของสัตว์โลกคือกิเลสประเภทนี้เกิดขึ้นที่ไหนมันก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละไม่ใช่ไปเจาะจงเฉพาะจังหวัดสามจังหวัดภาคใต้นั่นมันคือลักษณะของอหังการมามังการอหังการก็คือความรู้สึกตัวเราที่แยกจากคนอื่นหมายความมีคนกลุ่มหนึ่งมีความรู้สึ ก, กว่าตนเองเป็น มาลายูไม่ใช่เป็นไทยตัวเองเป็นอิสลามอั น, นี้ค่อนข้าง ม, ม, มากนะแล้วก็วัฒนธรรมของตนก็นนคือวัฒนธรรมของอิสลามวัฒนธรรมมุสลิมเหมืนถึงวัฒนธรรมของมลายูแล้วก็สามจังหวัดนั้นเป็นดินแดนของตน ซึ่งคนไทยไปแย่ง่าหมายความวาดินแดนน่ะเขามองว่าเป็นของเราแล้วเขานั้นเป็นมาเลย์อยู่เป็นอิสลามแล้วก็ต้องพูดภาษายาวีซึ่งเป็นภาษาของเขาเพราะนั้นได้เห็นว่ามีมั่มังการอยู่สองอย่างคือดินแดนกับภาษาแล้วก็มีอหังการอยู่สองอย่างคือชาติพันธ์ กับศาสนาที่ตนนับถือการศึกษาจริงต้องไปแก้ที่ปัญหารตรงนี้ด้วยคือหมายความว่าอาศัยหลักการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้การเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาแต่ต้องเป็นการเข้าใจซึ่งกันและกันเข้าถึงซึ่ง ก, กันและกันแล้วก็พัฒนาไปด้วยกัน โดยเฉพาะยิ่งในการศึกษานั้นจะต้องมีการศึกษาทั้งภาษาไทยแต่ภาษาญาี่ปและภาษาอังกฤษศา ส, สนาจะต้องศึกษาทั้งพุทธและทั้งอิสลามหมายความว่าเด็กทุกคนในต้องถิ่นตัวนั้นต้องศึกษาทีนี้ถ้าคนนับถือศาสนาอื่นก็ต้องเปลี่ยนเป็นศาสนาอื่นเป็นเรื่องเรียกว่าวิชาบังคับบังคับต้องศึกษา เรียนรู้ภาษาซึ่งกันและกันเรียนรู้ศาสนาของกันและกันเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันแล้วก็ยอมรับนับถือสถานะของความเป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันแต่ก็ต้องถือว่าดินแดนนี้คือประเทศไทยคือไปเอาอาดีตมาหลายร้อยปีมาแล้วเนี่ยมาพูดไม่ได้แล้วการถือครองสิ่งต่างๆนั้นก็ถือครองเป็นคณะ มันแรกแราดกับเงินของเราที่จะให้คนอื่นไปแล้วเนี่ยเราถือเป็นของเราไม่ได้ดินแดนก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อคนอื่นเขาครอบครองมาแล้วไปจะถือว่าเป็นไปอ้างอะไรคนตายแล้วมาไปทวงนี่มันเป็นไปไม่ได้คือคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ยอมดางนั้นอเมริกาก็ต้องออกจากทวีปอเมริกาเพราะว่าต้องคืนให้ดินแดนให้แก่พวกอินเดียน เพราะปัญหาเรื่องความไม่รู้เนี่ยถึงเป็นปัญหาใหญ่เพราะก็นาไปสู่ความยากรา้แล้วนาไปสู่การไม่วางแผนครอบครัวหรือขาดการวางแผนครอบครัวครอบครัวของพระจุลปันกเนี่แล้วก็เป็นตัวอย่างคือต่อมาเนี่ยมีคนมาสู่ขอที่ดาของเศรษฐีเศรษฐีก็รู้ว่าตัวเองมีท้องนอนอยู่ ก็บอกสามีบอกว่าพ่อจใจฉันแต่งงานนะเธอถ้าเดอกล้าหารจริงก็ต้องไปขอกับพ่อหรือไม่งั้นเราทวนกันหนีไอ้นี่ก็ไม่กล้าขอนะฮะเลยก็ชวนกันหนีทีนี้หนีไปไกลเนี่ยก็ปรากฏว่าลูกสาวเศรษฐีนี่ทำงานไม่เป็นตัวไม่เคยเรียนเรื่องทำงานมา สามีก็เป็นคนใช้มันก็ไม่มีความสามารถอะไรพิเศษโดดเด่นเป็นพิเศษแต่ว่าการครองเรือนมันก็ทำไปตามปกติธรามาก็ปัญญาก็มีคันมีคันก็เป็นธรรมเนียมนะว่าจะต้องไปคลอดในสกุลของผู้หญิงคล้ายๆกับที่พระนางสิริมามายาไปคลอด ต้องการจะไปประสูติที่เทวทหะนั่นเองพัญญานั้นเชื่อว่าเรื่องมันผ่านมานานแล้วพ่อแม่ก็คงจะให้อภัยคงจะไม่ถือสาความอะไรคงยิน ด, ดีต้อนรับแต่ว่าสามีกลัวความผิดเลยไม่ยอมพาไปผลบันประกันพุ่งไปเรื่อยท้องก็โตไปเรืยจนในที่สุดพัญญาก็เห็นว่าสามีนั้นขาดรั้วแล้วก็โง่ เลยตัดสินใจเดินทางคนเดียวเพื่อไปคลอดในขณะที่สามีไม่อยู่พอสามีกลับมาทราบว่าปัญญานหนีกลับบ้านเพื่อจะไปคลอดก็รีบตามไปก็ไปเจอนางก็คันแก่เกินไปนะก็ไปคลอดระหว่างทางเาอในกิจที่จะต้องไปคลอดเนี่ยมันจบไปจบระหว่างทางคล้ายๆกับพนางสีมามายาไปคลอดที่ลุมพินีไอกิจที่จะต้องไปเทวธหามันก็จบ ก็เลยก็กลับกรุงก บ, บิลพั์พวกนี้ก็เหมือนกันในสุตรก็กลับบ้านเลยก็ให้ชื่อลูกชายว่าปันทกะหรือปันถกปันถกก็แปลว่าถนนหนทาง น, นะะครอดในหนทางใล้ๆกับเวสันดอนเนี่ยแปลว่าตรอกของพ่อค้าเพราะว่าพระนางพุ้เสดไปประสูตรที่นั่น ก็ยังนึกนะแนวตัวนี้ใกล้ๆกับพวกเสีมังสไกายะพวกเงาะเสียมังสไกก็ะจะชื่อลูกเขาตามที่ที่แม่ก็าคลอดลูกคนต้นไม้ไรก็จะชื่อลูกอย่างนั้นแสดงว่าเป็นวัฒนธรรมโบราณมากพวเสียมังสไกาก็ ย, ยังสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันต่อมานะานก็มีคันอีก แล้วก็จวนสามีอีกสามีก็ผัดบอลประกันพรุ่งอีกจนในที่สุดเนี่ยนางก็ต้องเดินทางคนเดียวแล้วมาคลอดระวังทางอีกสามีก็ตามมาทันก็ช่วนเงินกลับบ้านก็ตกลงว่ามีลูกชายสองคนคลอดระวังทางด้วยกันแต่นียคนหนึ่งว่ามาหาปันต ก, กะแปลวคนทางใหญ่ คนน้องก็ชื่อว่าจุลปันธกะแปลว่าคนทางน้อยก็ประครอดที่คนทางเดีกันทีนี้พอเด็กโตขึ้นเนี่ยมันมีเพื่อนมีฝูงก็มีปู่ย่าตายายก็ส่งของมาให้ญาติส่งของมาให้เด็กล่านั้นก็อวดอวดกันแต่ว่าเด็กสองคนมันไม่มีใครส่งอะไรมาให้ก็เด็กก็สอบถามแม่ แม่ก็บอกว่าคุณตาคุณยายของลูกนะ่ะอยู่ไกลกันไม่รู้แต่ไม่ได้ส่งมาให้ประเด็กรู้ว่าตัวเองมีคุณตาคุณยายก็อยากพบตายายรบเราแซาวซีกันไปเรื่อยในที่สุดแม่ก็ต้องหยอกผ่าลูกไปแต่ไม่กล้าไปพบนะครัก็ไปพักอยู่ที่ศาลาแล้วก็ส่งคนไปบอกพ่อแม่ให้ทราบ ว่าจะมาขอขามาโดยนำหลานมาด้วยคุณตาคุณยายก็ดีใจนะที่ลูกสาวมาแต่ว่าไอ้ความโกรธแค้นความอับอายความเสียหน้าเนี่ยคือบางทีมันไปเหนียวอะไรเอาไว้แล้วก็ทำเรื่องมลใก่เป็นเรื่องใหญ่ผมก็เลยมอบทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกสาวกับลูกเขยจํานวนหนึ่งไม่ยอมพบหน้า แต่ก็ขอลานสองคนมาไว้ต่ลงว่าจุลปันโต ก, กับมาปันโตกก็โตภายในครอบครัวของเศรษฐีก็จะเศรษฐีมีลูกหลายคนพอมีเพื่อนผูกมาที่บ้านก็ถามว่าเด็กเราเนี้ยเป็นลูกของลูกสาวคนไหนหรือลูกชายคนไหนท่านก็ต้องบอกบางคนที่หนีตามผู้ชายไปมันก็อายนั่นเกิดอับอาย อันนี้เราเห็นอา่าได้อย่างหนึ่งนะว่าที่จริงท่านก็เป็นอุปสมบทความธรรมจำศีลแล้วก็ไปเดือดร้อนเพราะเรื่องขนาดนี้น ะ, สะแสดงถึงคุณธรรมเนะี่ยยังไม่สูงพอเพราะปัญหาความพล า, าดในลักษณะนี้ที่จริงถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องอภัยนะนมีทางทำอย่างอื่นได้หรอนอกจากอภัยลูกก็ผิดไปแล้ว พ่อแม่ก็มีหน้าที่แต่อภัยแล้วก็ควรจะให้ความอบอุ่นแก่ลูกซึ่งผิดพลาดไปแล้วความเยาความเขาของลูกเนี่ยยังไงยังไงมันก็ตัดไม่ตายขายไม่ขาดตัว น, นี้ก็สะท้อนตัวอย่างให้เห็นนะว่าพ่อแม่ที่ขาดจิตวิญญาณของพ่อแม่อย่างแท้จริงเนี่ย คือบางทีปัญหามันเกิดแล้วไปขยายปัญหามันทางออกไปตัวนี้ตัวเองเลยกลายกลายเป็นคนมีปมด้อย ท, ท, ทั้งๆที่ถ้าตัวเองเอ า, เอาลูกชายลูกเขยมาอยู่ด้วยลูกสาวลูกเขยมาอยู่ด้วยนะแต่คนเหล่านั้นก็เลี้ยงดูลูกมันก็มีคนถามจะไม่มีคนถามแต่ว่า ก็ท่านหาเรือ่อง่หถูกถามเพราะเห็นเด็กสองคนแต่ว่าไม่มีพ่อแม่คนก็ต้องถามพอถามตัวเองก็อับอายแล้วก็นำหลานชายเนี่ยไปฝั่งเทศในสำนักพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆมาปนถกเป็นคนมีวาสนาบารมีแก่กราความไม่นานก็ขออนุญาตคุณตาบวช คุณตานั้นที่จริงก็ดีใจน ะ, ะที่หลานบวชแต่ก็ลึกๆเนี่ยมันรู้สึกสบายใจเพราะว่าเป็นการาส่งหลานออกไปจากบ้านจะไม่มีคนมาสอบถามว่าเป็นลูกสาวของเป็นลูกของลูกสาวคนไหนคือการไปติดไปยึดติดน ะ, ะเป็นลักษณะของการยึดติดมันก็ก็เรียกว่าอะไรล่ะวิกฤตมันเป็นโอกาส เป็นโอกาสของประมาปันทุกที่ประสบวิกฤตทางครอบครัวอยู่ต่อมาท่านบวดแล้วศึกษาธร ร, รมบำเพ็ญเพียรไม่นานก็บรรลุมรคลเป็นประหรันก็เข้าใจว่าเป็นพรหาหันยังหนุ่มพระเจ้าก็มอบหมายให้เป็นก็เรียกว่าพัตนุเทศะกะ คือผู้แจกพัดเวลาคนมานิมนต์พระเนี่ยพระอยู่กันมากๆเวลาเขานิมนต์ถ้าเขานิมนต์หมดวัดเนี่ยก็มไม่เคยแปลกอะไรคือประกาศได้ทั้งวัดแต่บางครั้งก็อาจจะไป น, นิมนต์สี่องค์ห้าองค์เจ็ดองค์เก้าองค์สิบองค์อะไรต่วไหนเนี้ยท่านก็มีหน้าที่จัดพระจัดพระก็เรียงลําดับไปจนกว่าจะหมดแล้วก็วันนับหนึ่งกันใหม่ ผลคนทำงานตรงนี้ต้องไม่มีฝักไม่ฝ่ายเนยต้องมีความยุติธรรมต่อมองเพื่อนสาาัพป h a r า a c ทุกคนเนะี่ยเหมือนก็ครอบครัวก็แค่ก็ลูกพ่อแม่เดียวกันแต่เป็นไนก็จัดซ้าพวกที่ได้อาติเด ก, ก็ลากก็จะได้เยอะพวกที่ขาดแคลนก็จะขาดแคลนอย่างต่อเ น, นื่องผลท่านก็แจกพัตุเทศพัทได้ดีก็เห็นว่า ชีวิตปรมจจันท์ ช, ชีวิตของพระเนี่ยมันสงบเย็นเลยกไ็ไปคิดถึงน้องชายก็ไปชวนน้องชายมาบวชด้วยคุณตาก็ยินดีนะฮะก็ยินดีด้วยนัยยะดังกล่าวก็ยินดีทั้งสองอย่างยินดีที่หลานได้บวชในาศาสนาที่ตัวเองนับถืออยู่และยินดีที่หลานได้พ้นหน้าพ้นตาไป นะไม่ต้องคอยไปตอบคาถามของคนอยู่ถึงแนนอนเมื่อหลานบวชหมดคนก็ไม่เห็นตัวหลานทั้งสองมันก็ไม่มีการถามตุนตาก็สบายแต่ว่ายุรันปันถกนตอนบวชก็เป็นสามเณรนะแต่คงอายุใกล้กรบพระปรากฏว่าพระมาปันถกพี่ชายเนี่ยให้ท่องคาถาสี่บรรทัดเนี่ย ปรากฏว่าท่านท่องอยู่ทั้งสี่เดือนไม่จบปัญหาปัญโถกเห็นว่าโอโห้โหยทุบจังโง่จังเตือนก็แล้วว่ากล่าวอย่างแล้วปูุกโดยวิธีการต่างๆก็ปรากฏว่าท่านไม่จําจริงๆคือไม่ใช่ว่าท่านไม่ตั้งใจอะท่านไม่จํามันเป็นวิบากกรรมเป็นวิบากกรรมของท่านที่ท่านไม่จําก่อนในที่สุด พระหาปันโตกก็บอกว่าเอออยู่แลปันโตกเธอนี่คงจ ะ, จะเจริญในธรรมนัยไม่ได้หรอกเพราะเรื่องขนาดนี้เธอจำไม่ได้ตั้งสี่เดือนแล้วก็ศึกไปช่วยคุณตาทำงานเถอแต่ท่านเกิดศรัทธานะจุปตปมัตกเตันศรัทธาท่านไม่อยากจะศึกก็ต่อรองพิชายจะไม่ศึกพิชายก็คงจะต้องการจะกระตุก จิตสำนึกที่ดีงามัอท่านขึ้นมาประมาณหมอชีวกากมารพัฒมานิมนต์พระไปสันพัฒาหารที่ที่บ้านนะ น, นะเราจะเห็ว่ตุการณ์ตรงนี้ที่จริงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดที่กรุงราชสุด ก, ก็ท่านสอบถามมาต้องการพระเท่าไรก็ต้องการหมดทั้งวัด ทีนี้ประจุนพระหมหาปันถุกเนี่ยท่านก็พูดเนี่ยขณะที่จุลปันถุกก็นั่งอยู่ด้วยบอกว่ามีพระยุรุมหนึ่งโง่เหลือเกินท่องคาถาสีบรรทัดสีเดือนเนี่ยไม่ได้เลยองคนี้ไม่ต้องรับอ่ะต้องนิ ม, มนต์ถามให้ท่านรู้สึกน้อยใจใคล้ายๆกับว่าพี่ชายเกลียดไปแล้วโกรธไปแล้วตัดขาดไปแล้วเลยก็ออกไปจากสำนักของพระหมหาปันถุโยโดยโดยตั้งใจจะศึก ผู้เจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกก็เห็นบารมีขอนท่านเลยก็เสด็จมาขวางไว้ทรานสั่งถามว่าจุฬาพันธกจะไปไหนไปจะไปบวชจะไปศึกถ า, ถามว่าทํำไมศึกเระบ่กพี่ชายให้ศึกเพเธออยากจะศึกหรือเปล่าก็ไม่อยากจะศึกต้องการจะบวชเป็นพระต่อไปแต่ว่าพี่ชายให้ศึกผู้เจ้าเลยทรงใช้วิธีเปลี่ยนคําถาม ว่าเธอบวชอุทิศตถาคตหรือว่าบวชอุทิศพี่ชายล่ะบอกว่ากขาบวชอุทิศพระองค์ไม่ได้บวชอุทิศพี่ชายพระเจ้ารับสั่งว่าเออก็เรายังไม่ให้ศึกเนี่ยก็ลงมาไม่ต้องศึกหรอกแลย้ยจะนึกภาพที่บรรยากาศในอ บ, บุญคือพระเจ้าทรงรูปศีรษะเป็นการปลุกปลอบลก็จุงยุงมือไป นำไปที่ประกันแล้วกุดีแล้วก็ได้เอาผ้าขาวอย่างดีท่านบอกอันตักงาถาทำบุเรไดบอกว่าทรงนิรมิตผ้าขาวขึ้นมาผืนหนึ่งแล้วก็ทรงให้ท่านนำไปบริกรรมบริกรรมว่าละโชระนังละโชระนังที่แบบพิจิงมันแปลว่าผ้าเปื้อนฝุน่นหรือผ้าเปื้อนทุลีคำว่ารโชรนังเนี่ย ท่านก็นั่งบริกรรมหลับตาบริกรรมระชวนังระชวนนัง่งก็นั่งกลางแจ้งนะครับพอถึงเวลาจะไปสันปตหารพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระทั้งหลายทั้งวัดนะฮะไปหมดแล้วก็พอถึงเวลาที่เจ้าภาพก็จะถวายพัตาหารเนี่ยพระพเจ้าก็ปิดบาต์บอกว่าพระยังไม่ครบ ที่ว่าแต่ยังมีพระอยู่อีกองหนึ่งพระมหาปันโทกก็กราบทูล น, นะฮะต่้งกราบทูลดีท่านบอกว่าเอ่อไม่มีพระแล้วไม่ใชหรือพระพุทธเจ้าขา้าพระเจ้าเลยรับสั่งให้เจ้าภาพเขาไปดูที่ส่งคนไปดูซิมีพระหรือไม่ทนในขณะนั้นแหละพระมหาพระจุลปันโทกเนี่ยท่านลืมตาแล้วก็ดูผ้าขาว พอเห็นมันผ้าขาวมันเปื่อนสกปรกเกิดพิจารณาเห็นความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายจิตมันก็เดินเลยอ่ะทีนี้เดินก็สู่วิปั ส, สนาญาแหละจิตก็เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในร่างกายจเจริญวิปั ส, สนากความเป็ี่ยนเปีย น, นบรรลุมรรคผลเป็นพรหาหนในขณะนั้นในขณะที่ท่านบรรลุมรรคผลเป็นประหันเนี่ยคือทิ่ประโซ่มันก็เกิดโดยโดยธรรมชาติ ปัวปญญาปิญญาหกเนี่ยมันเกิดโดยธรรมชาติปัวตั้นแตกช้านี่ปิญญาปัน้ท่านจึงได้ยินนะได้ยินที่พระมหาปันโทกบอกว่าในวัดไม่มีพระไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าค่ะท่านก็บอกเอ้าพี่ชายบอกไม่มีพระเราจะแสดงความมีพระให้ดูท่านเลยนิรมิตพระเต็มวัดเลยเป็นพันนะ พระอยู่เป็นในวัดเต็มพันแล้วก็ทำงานทำการคนลนาทีกันแต่ว่าหน้าตามเหมือนกันนะทำงานทำการคนละนาทีกันแต่หน้าที่ที่หมอชีวกเขาส่งไปเนี่ยไปเห็นพระเต็มวัดก็ตกใจอะ่ะรีบมาเรียนในท่านทราบบอกว่าพระมีเต็มวัดเลยเป็นพันผู้เจ้าเลยรับสั่งวะเธอไปบอกหมายไปบอกว่า ให้พระจุลปันทกนะ์บอกว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งหาสั่งหาจุลปันถกให้จุลปันถกมาพอไปถึงแกก้นิมนต์พระจุลปันถุกทุกรูปก็บอกว่าท่านชื่อจุลปันทุกอันนี้ก็ตกใจอีกโอ้ตายละจุลปันถกหมดเลยและวิ่งกลับไปใหม่พระเจ้าก็เลยสับและสั่งให้กลับไปอีกบอกว่าคนใดที่พูดว่าอัตมาชื่อจุลปันกนี่ให้จับชายจีวรไว้ แล้วคนอืน่นก็นนจะหายไปเองอันนี้ก็เป็นปาฏิหารนะเขาเรียกว่าการพลิกจิตการเปลี่ยนแปลงจิตนิรมิตรเป็นเปๆเขาเรียกว่าเป็นมโนโมยิทธิในมตดกายที่สมเ็จด้วยใจนะฮะมโนโมยิทธิหมายความภาพเหล่านั้นที่จริงเปอร์เป็นภาพมายาไม่ใช่ภาพจริงภาพที่สำเ็จด้วยจิต แต่สำนวนปัจจุบันเราอาจจะพูดว่ากายทิพย์พระพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยใช่เป็นพันๆขนาดนี้นะฮะถ้าที่เคยพบมาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงนิรมิตยแยกครรกายเป็นห้าตอนแสดงย ม, มุกปฏิหารเนี่ยแต่ว่าปรจจุบันทกท่านแยกเป็นพันเลยก็เมื่อปรจจุบันทุกมา ก็ถึงเวลาถวายปตาหารเสร็จแล้วพระพุทเจา้าก็รับสั่งให้จุลปันทกเนี่ยอนุโมทนาคือสมัยโบราณเนี่ยไม่ได้ว่ายัถาวิวหาหอนุโมทนาก็คือการกล่าวธรรมกถาสั้นเป็นการแสดงธรรมะแล้วก็จบลงด้วยการให้สีได้พรแต่ตามปกติก็ไม่มีรูปพร อ, อะไรชัดเจน เรื่องเหล่านี้เป็นการปฏิปตอกันขึ้นทีหลังที่มาเป็นเรื่องของการให้สีให้พรเนี่ยเป็นการตัดต่อนะฮะตัดต่อข้อความต่างๆมาเชื่อมโยงกันตอนแนวให้สีให้พรเราจะพบน้อยนะฮะพระจัยบิดกนี้เรียกว่าไม่มีเลยแนวให้พรดีให้อายุวันโนสุ ข, ขังพลังอะไรอะไรต้นนองนี่มันไม่เคยเจออาจจะมีอยู่บ้างประปราย แต่ตัคาถามีนะตั้คาถานี่มีก็นในที่สุดพระท่านก็ตื่นเต้นกันบอกโอ้พระมาหาปันทุกเนี่ยไล่ประจุลมปันทุกบอกว่าโง่ให้ศึกไปแต่ว่าอนุภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยาัจรรย์สามารถทำคนโง่ที่ท่องคาถาสีบ่บรรทัดทั้งสี่เดือนไม่จำเนี่ยให้บรรลุมารหัตเป็นพระหานได้ คือไม่ถึงครึ่งวันเน่นะเพราะว่าพระเจ้ามอบพระขาวให้แก่ท่านตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จไปที่บ้านหมอชีวกท่านจะเดินวิจฉสณาระยะสั้นๆอย่างนึกว่าก็คงจังมากก็สามสามชั่วโมงแต่บรรลุมกผลเป็นประหารได้พระเจ้าก็ ส่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ที่จริงก็ช่วยเหลือช่วยเหลือจุลบันทกมาแม้แต่ชาติก่อนก็เคยช่วยเหลือพิสูจ์ทั้งหลายก็อยากรู้ถึงอดีตกรรมก็ระสังเร า, เ ล, าเล่าถึงในอดีตการนานมาแล้วนะพระองค์ได้บังเกิดเป็นอาจารย์สอนอาจารย์ทิสาปะโมกจิสอนศิษย์ จุลบันโทก็เป็นมนุ์ที่ไปเรียนในสำนักที่สาประโข ม, มันก็เรียนอะไรก็ไม่จำอย่างเงี้ยไม่จำอย่างนี้ก็ในที่สุดอาจารย์ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลูกศิษย์มาเรียนแล้วไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยก็แย่หน่อยก็เลยก็ให้ท่องคาถาสั้นๆ น, นะฮะว่าคะเตสิกะเตสิกิงกรนาคะเตสิอังปิตังชานามิชานามิก็ สรุปแล้ประมาณสักสองบรรทัดนะนะแปลว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านกำลังทำอะไรอยู่เรารู้นะว่าท่านกำลังทำอะไรก็สั่งลูกศิษย์ว่าต้องท่องไว้ตลอดสาธยายไว้ตลอดแม้แต่หลับก็หลับไปแต่ว่าตื่นขึ้นมาก็ต้องท่องไว้ทำอะไรก็ต้องท่องต้องท่องตัวนี้ไว้ตลอด ท่านก็กลับมาบ้านก็นอนตอนกลางคืนเนี่ยพอดีพระเจ้าแผ่นดินท่านเสด็จไปศึกษาถึงผลการบริหารประเทศชาติของท่านว่าประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขดีไหมมีคนนินทาอะไรพระองค์หรือเปล่ามีโจรผู้ร้ายมากไหมอะไรเนี่ยก็ไปดูกันแนวสมัยโบราณท่านก็เช่า ย, ยัางนะคือเป็นเจ้าเมืองนะฮะเป็นนครรัฐเล็กๆแต่ว่า บางเมืองก็ใหญ่เงี้ยนะเช่นอังคามาคตกาสีโกสนเนี่ยแต่ละแควนแต่ละแคว้นของอินเดียเนก็ใหญ่ของเราหลายจังหวัดนะฮะเที่ยวของเราก็หลายจังหวัดอย่างนึกว่าประเทศบางประเทศในปัจจุบันน่ยเช่นพวกสิงคโปร์ก็ดีบูรุนัยก็ดีเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆก็ เ, กกเมืองสมัยนั้นท่านก็โตกว่าการตรวจสอบก็ตรวจสอบในเมืองใหญ่ๆทีนี้ท่าน ก็ไปเห็นโจรกับลังปีนป่ายขึ้นไปที่บ้านแห่งหนึ่งประชาแอบซุ่มดูพอขึ้นไปเนี่ยมนบน้อยก็ตื่นขึ้นมาเลยนึกถึงคาถาอาจารย์ก็สาธยายกระเตสิกระเต ส, กเสิกิงกนากระเตสิหังปิตังชาณามีชาณามีโจรก็ตกใจะนะึกว่าชาบ้านรู้ รีบลงหนีเลยวิ่งหนีเลยพระจากก็สงสัยเอรมาจนไม่ได้อะไรก็เลยกลับไปวังลูกจากก็ให้ส่งคนไปสอบถามดูที่ที่บ้านนั้นมันนีใครมาจากไหนก็รู้ว่าเป็นมนุษย์ที่จบมาจากตักกศิลาเลยก็ไปเรียกมาสอบถามทราบความแล้วขอเรียนวิชานะ เพราะว่าสองบรรทัดน์เท่านั้นเองมนยนก็สอนให้แต่ท่านก็ถือว่าเป็นอาจารย์ก็ให้ความสำคัญในการต่อมาเนี่ยเสยนา บ, บดีนะเสนา บ, บดีปุโรหิตแล้วกับช่างกระระบบก็สมหัวคิดกันที่จะปรุงประจชน์มิชีพของพระเจ้าแผ่นดิน แล้วก็ปุโรหิตก็จะเป็นกษัตริย์แล้วก็เสนาบดีนะอามาตย์จะเป็นเสนาบดีแล้วก็จะให้เนี่ยในนคนเนี้ยเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่ในการบุกเนี่ยโดยคิดจะให้ในการบุกเนี่ยเฉือนที่พระสอ ทีนี้ในช่างการะบบพอถึงคราวแต่งพระเกศาจริงๆก็สะบัดม่โกนอยู่บ่อยๆคิดว่าจะเฉือนทีเดียวลูกก็เดือดแค่ขาดแล้วตายเลยก็สั่นนะนะมาเกิดมาเกิดไม่มั่นใจเพราะอันในขณะที่แกสะบัดม่โกนอยู่เนี่ยพระราชาต่างก็ว่างแต<ไ>่ก็นึกถึงคาถาก็ทันได้ต้องมาท่องคาถาเลย นะเธอกาลังทำอะไรอยู่เธอกาลังทำอะไรอยู่ฉันรู้นะว่าเธอกาลังทำอะไรอันนี้ก็ตกใจเลยในว่าพระราชารู้ก็ก้มลงกราบข อ, อกมาโทษราชาก็ได้ทีนะฮะก็ไหวพริบปฏิพานก็ซักถามให้คายความผิดออกมาอันนี้ก็สารภาพหมดพราชาก็เรียกจนเสนา บ, บดี ปุโรหิตนะฮะเบดีอมมาตอะไรเนี่ยคือสรุปสามคนเนี่ยนะรเรียกมาก็สอบถามสอบความจริงแล้วก็บอกว่าปุโเธอในฉันก็ให้ใหญ่โตขนาดนี้แล้วแต่เธ อ, อยังคิดร้ายกับฉันนะเพราะงั้นอย่าอยู่ยในบ้านในเบืองนี้ให้ออกไปทั้งหมดหระเทศหรือไม่ฆ่าหรอกแต่ยังไม่ได้ทำ แต่กีกิจหนึ่งท่านก็ไม่ต้องการจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรแต่ก็มั่งผลนึกว่าท่านได้ชีวิตเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยให้คาถาไว้เลยไปเชิญมนุษย์คนนี้มาเป็นตัวเสนาบ ด, ดีนะเเสนาบ ด, ดีนี่ก็อาศัยคาถาที่อาจารย์สอนมาให้แต่นี่ปัญหาพระก็เกิดถามกิอดอีกข้อหนึ่งเอ๊ะทำไมโง่ขนาดเนี่ย ทำไมท่านดิงโง่อย่างนั้นโง่มาแม่แต่ในชาติก่อนพระเจ้าก็รับสั่งเล่าย้อนไปอีกชาติหนึ่งบ้านในชาติปางก่อนในคราวหนึ่งจุงลปันถุกได้เป็นภิกษุคือคุ้เคยต่อการบวชเนี่ยเป็นลักษณะนิสัยนะฮะนประวัติคนที่บวชเนี่ยถ้าระลึกชาติได้เนี่ยอาจจะเจอบวชตั้งหลายครั้งนะเพราเป็นความโน้มงเอียงทางใจอะ ไม่ยินดีในชีวิตของคาราวะามีความพอใจต่อชีวิตของนักบวชก็อยู่สงบสงบทำงานทำการไปในขอบขายที่รู้สึกว่าได้ทำบุญนะเราสั่งเล่าว่าพิสูรรูปเนี่ยคือเก่งมากฉลาดปราดเปรื่องมีความเฉียบแหลมคมคายแต่ว่าก็มีมานา ก, กระด้างถือตัว เห็นว่าตัวเองเก่งก็เลยหัวร้อยย่อเพื่อนภิกษุรูปหนึ่งซึ่งโง่ท่องหนังสือไม่จําหัวร้อยย่อกันนะดูมินกันน ะ, ะคือไม่ถึงก็ไปชกต่อยทุกตีอะไรเขาหรอกแต่หัวร้อยย่อในทํานองดูหมิ่นก็แสดงว่าจิตมันเกิดอติมรณนะแล้วก็วาจานั้นเป็นวาจาเย่ะเยะ้ยถากถาง เป็นวิจิทุจริตก็ถือว่าเป็นคำหยาบนะตกลงว่ามาโนเป็นทุจริตก็เกิดอติมานะวิจิจีก็ทุจริตเพราะว่าเป็นการกล่าวคําหยาคือพารุษว่าเป็นคาําด่าเยาะเย้ยถักฐางนโดยประการต่างๆหรือบาปกรรมตรงนี้ทําให้ท่านกลายเป็นคนเรียนหนังสือไม่จําเศษวิบากกรรมนะ พะฉะเรามองถึงเรื่องนี้จะเห็นว่าบาปเนี่ยบาปรือบุญก็าตามนะเป็นเรื่องที่ระเมิดละไม่มากที่เจ้าทรงย้ําเตือนว่าอย่าดูห ม, มิ่นว่าบาปมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลมันเหมือนกระยาดฝนที่หยดลงมาทีละหยดทีละหยดเนี่ยมันสามารถทําภาชนะที่รองรับไปเต็มได้บุญก็จะมีลักษณะอย่างนั้น ในที่หนึ่งก็รับสั่งว่าถ้าจะทําบาสนะอย่าทําบาปบ่อยๆและอย่ามีความพอใจยินดีในบาปเพราะการสะสมบาปจะนําทุกข์มาให้แล้วมองตัวเงินข้ามถ้าจะทําบุญก็ให้ทําบุญนั้นบ่อยๆและมีความพอใจในบุญนั้นเพราะการสะสมบุญเนี่ยจะนําความสุขมาให้พันประวัติชีวิตของปจุลบันทก เราจะเห็นได้ว่าเป็นการให้ผลในส่วนของกุศ ล, ลกรรมคือในการที่สมัยที่ท่านเป็นพระเนี่ยการศึกษา ป, ปฏิบัติปฏิบัติดีศึกษาพระสัทธรรมปฏิบัติตำหลักพระศัทธรรมแล้วก็เผยแผ่พระสัทธรรมแล้วก็ในภพชาติอื่นๆก็สร้างปุบ ร, รมีต่างๆพวกนี้ก็เก็บสะสมอยูภ่ภายในใจ แต่มันเกิดอาการสะดุดคือไปสุ ป, ประมาทดูถูกดูหมิน่นเยาะเย้ยถักฐางคนอื่นซึ่งที่จริงมันก็หาเรื่องอนะ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะกล้ๆก็ว่าคนก็พูดติดอ่างเราก็ไปล้อเลียนเขาคือมันควรจะสงสารนะแต่พอเราไปพูดล้อเลียนเขาแล้วในที่สุดเราก็อาจจะติดอ่าง เพรบาปกรรมเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยก็มันเหมือนกับยาพิษนะอย่าพิษแม้เพียงเล็กน้อยก็คืออย่าพิษที่พระเจ้าทรงสอนแม่ดูหมินนะภิกษุยาดูหมินว่าเป็นหนุ่มกษัตริย์ยาดูหมินว่าทรงพระยาวอสารพิษยาดูหมินว่าตัวเล็กอยาพิษยาดูหมินว่าปริมาณมันไม่มากเพ่ แ, แต่และอย่างเนี่ยเป็นอันตราย พระเด็กๆพระนุ่มๆเนี่ยอาจจะเป็นพระญาบุคคลก็ได้เราไปศระมาาดูถูกดูหมิน่นไปแสดงอาการเนี่ยดูหมิน่นเหยียดยามอย่างที่เรื่องสุปาพุทธกุฏิอย่างที่ยกมาไว้ในวันก่อนเราจะเห็นว่ามันเกิดดูหมิน่นพระปัิเจกพระพุทธเจ้าอันนั้นที่จริงก็เพียงแต่คิดภายในใจว่ามันเจอคนขอทาน โรคเรื้อนนะฮะคนก็ทานโรคเรืน้นและตัวเองก็เป็นขอทานโรคเรืน้นเป็นลักษณะของมักท่านเท่าใดมักตนเท่านั้นพราะเรื่องบุญเรื่องบาปยังคิดไว้ไบ่อยคืออย่าไปตามใจตามกิเลสที่มันสั่งคือื่อที่คนนั่งคุยกันไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งด่าพระเลยวิจารณ์พระด่าพระ ท่านตาพระแล้วบอกว่าผมมีสิทธิจะดา่าก็ บ, บอกว่าใช่คุณก็มีสิทธิจะบาปคือต้องเข้าใจนะฮะด่าแมวก็บาปนะด่าอะไรก็บาปดา่าฝนด่าฟ้าก็บาปนะเพราะวัจจีมันทุจริตแล้วก็จิตมันประกอบไปทุศัสดิ์มันเป็นทุจริตทั้งสองอย่างปจจีทุจริตแล้วก็เป็นมโนโ ท, ทุจริต คนนี้ที่นำเป็นเอาเรื่องของท่านมาดูคือสะท้อนธรรมะจากตัวตนของบุคคลเพราะจึงประวัติชีวิตของพระยุลปันทกทั้งสองสามสี่ชาตินะที่ต่อต่อกันอย่นียมันเป็นการสะท้อนถึงผลของกุศลอกุศลซึ่งก็มีอยู่ภายในใจของบุคคลแล้วก็มีการติดตามให้ผลไปตามสมควรกับฐานะของตนบุญก็ให้ผลไปอย่างหนึ่งบาปก็ให้ผลไปอย่างหนึ่ง แม้ชาติที่จะบรรลุมรควนเป็นพระหันฉลาดปราดเปรื่องขนาดนี้นะฮะแต่ยังบาปยังตามมาแซงมาตัดทอนเสียอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยที่หลงไปบำเพ็ญทุ ก, กรกิริยาอยู่ตั้งหลายปีเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องกล่าวคำหยาบคายต่อพระอรหันต์ในชาติปังก่อนก็รับสั่งเล่าไว้เองนะถ้าฟังท่าไร เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมตรงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วทุกกันสวัสดี